เรื่องโสนโกลิวิสสะเศรษฐีบุตรบรรพชา243ครั้งนั้นโสนโกลิวิสสะได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเราเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่ง เหมือนสังที่ขัดดีแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราควรจะปลงผมโกหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาต กระทำประทักษิณแล้วจากไปลำดับนั้นโสนโกริวิสสะเมื่อกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วจากไปไม่นานได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณนะที่สมควรโสนโกริวิสสะ ผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้ารมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นข้าพระองค์เข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดดีแล้วมิใช่กระทำได้ง่าย ข้าพระองค์ปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาให้ข้าพระองค์บวช ด, ด้วยเถิดโสนะโกริวิสัได้รับการบรรพชาอุปสมบทในพุทธสํานักและเมื่อท่านอุปสมบทได้ไม่นาน พำนักอยู่ณป่าศรีตะวันท่านปรารบความเพียรอย่างยิ่งเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่เดินจงกรมเปื้อนเลือดดุดที่ข้าโคต่อมาท่านพระโสนโกริวิสส์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความคิดดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาค ที่ปรารบความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เล่าทรัพสมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพสมบัติและบำเพ็ญบุญได้อยากระนั้นเลยเราควรศึกไปใช้สอยทรัพสมบัติและบำเพ็ญบุญ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระไถยถึงความคิดคำนึงในจิตของท่านพระโสนโกริวิสักจึงทรงหายไปจากภูเขาคิชกูดมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนคนมีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุเป็นจำนวนมาก สเสด็จเที่ยวจาริกไปตามเสนาสน ะ, สะเสด็จไปทางที่เดินจงกรมของท่านพระโสนโกริวิสสะทอดพระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรมเปื้อนเลือดจึงรับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่าสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของใครเปื้อนเลือดดุดที่ฆ่าโคภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ท่านพระโสนะโกริวิสสะปรารบความเพียรอย่างยิ่งเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของท่านจึงเปื้อนเลือดดุดที่ข่าโ ค, โคพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปที่อยู่ของท่านพระโสนะโกริวิสสะประทับนั่งบนพุทธอาอักที่จัดไว้ แม้ท่านพระโสนะโกริวิสักก็ถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควร